ธรรมาจาักรบรวัตินสูตรที่เราพึงสาธยายเป็นพระสูตรที่สำคัญมากนะทั้งในแง่ที่เป็นปฐ ม, มเทศนาและในแง่ที่บรรจุหลักธรรมคำสอนสำคัญนะที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาไว้ได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสายกลางเรื่องอริยสัจสี อริยมรรคมีองค์แปดมีประเด็นหนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือตอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าทุกเนี่ยอริยสัจข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละ นิพพานก็คือส่วนสิ่งที่ควรทาให้แจ้งหรือนิโรธนิโรดคือสิ่งที่ควรทำให้แจ้งทำให้เกิดขึ้นอริยมรุงโมโยงแปดก็คือสิ่งที่ควรทำให้มีมากขึ้นอันนี้เราเรียกว่าข้อปฏิบัติต่ตออริยสัจสซึ่งชาวผู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ได้รู้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ <c oughs> ก็พูดหรือศึกษาเพียงแค่ว่า อริยสัตวมีอะไรบ้าง <c oughs> อริยสัตวสี่ก็มีทุกสมงุไทยนิโรธมรรคนะแล้วก็จบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วสำหรับการปฏิบัติเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอก็ต้องรู้ว่าจะเกี่ยวข้องหรือจะปฏิบัติกับอริยสัตว์แต่ละข้อแต่ละข้ออย่างไรนะ ข้อแรกคือทุกเนี่ยคือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้หรือสิ่งที่ควรรู้จริงๆแล้วทุกนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรละนะเป็นสิ่งที่ควรรู้ไอ้สิ่งที่ควรละก็คือสาเหตุแห่งทุกนะเพราะว่าถ้าไปไปละหรือไปไปดับทุกโดยที่ไม่ไปดับสาเหตุก็ไม่มีทางดับได้ ก็ทําได้ชั่วคราวมันก็ต้นไม้นี่ถ้าเราไปตัดไปตัดที่ลําต้นมันมันก็งอกใหม่จนกว่าจะารื้อถอนรากตัดรากนะหรือรากขึ้นมาอันนี้มันถึงจะจะหมดนะอย่างเช่นยาคาเนี่ยยาคานี่ก็ตัวอย่างชัดนะเราฟันเท่าไหร่ฟันเท่าไหร่ก็มันก็งอกใหม่ คนที่บอกว่าต้องละทุกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือว่าตัดไปตัดไปแต่ไม่ได้จัดการที่ลากมันก็งอกขึ้นเพนั่นต้องต้องดึงต้องถอนออกจากดินทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้หรือว่าในที่นี้ใช้คาว่ากำหนดรู้รู้นีไหมยครับว่าไงอย่างแร ก, กคือรู้ว่าทุกมีอะไรบ้างนะ ความแก่ความเจ็บความตายในที่นี้ก็พูดแต่เรื่องว่าความเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ตายความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลาดพราดจากสิ่งเป็นที่รักแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอย่างที่เราสวดกันทุกเช้านี่คือทุกข์ความหมายของทุกข์นะ ถ้ารู้เท่านี้มันก็ยังไม่พอนะเพราะว่าใครๆก็พอรู้อยู่ถ้าเรารู้เท่านี้ยั ง, ยงเรียกว่ายังแค่รู้จำแต่ว่ารู้ทุกที่สำคัญกว่านั้นหรือว่าลำดับขั้นต่อไ ป, ไปก็คือว่าพอทุกเกิดกับเราแล้วเรารู้ เรารู้ว่าทุกเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่าจะจะรู้ง่ายนะโดยพราะความทุกข์ทางใจเช่นความโกรธนะความโกรธนะคนที่โกรธนี่บางทีก็ไม่รู้ตัวเองโกรธคนที่เครียดก็ไม่รู้ตัวเองเครียดก็ไม่ีอย่างที่ผู้บรรกอว่าพูดถึงคนบ้าเนี่ยคนบ้าเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาบ้าเขาโดนทุกข์เต็มเป่าเลยแต่เขาไม่รู้แต่เขาไปเห็น คนอื่นเขาก็รู้วคนอื่นบ้าแต่ว่าตัวเองบ้า น, นี่ไม่เห็นเราก็รู้ได้ง่ายนะว่าใครทุกข์อะใครโกรธใครเครียดเรารู้แต่ว่าพอตัวเองโกรธตัวเองเครียดนี่บางทีไม่รู้นะปฏิเสธด้วยซ้ําเพื่อนทักว่าเครียดนะเขาก็บางทีเราไม่ยอมรับนะว่าเราไม่เครียด เพื่อนทักว่าเราหงุดหงิดบางทีเราไม่ไม่ยอมรับนะว่าเราหงุดหงิดนะอันนี้เรื่าไม่รู้ทุกนะนะเป็นความหมายหนึ่งคือไม่รู้ทุกบางทีเราอยู่กับทุกจนชินเมือ่อคนที่อยู่กับสีอยู่กับน้ำมันนะคนที่อยู่กับสีคนที่อยู่กับน้ามัน เขาคุณกับสีก็ชินกับกลิ่นสีกลิ่นน้ํามันเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดสังเกตอะไรก็ไม่รู้สึกมันเหม็นแต่คนที่มาใหม่เนี่ยพอเข้าปั๊มน้ํามันก็จะรู้สึกเหม็นรู้สึกเหม็นกลิ่นสีเหม็นกลิ่นน้ํามันคนที่ไปช่วยคนตายที่ซูนามิตอนเหตเกิดเหตที่ซูนามิเนี่ย ศพเน่าแล้วก็หลายคนก็ไปช่วยจำแนกศพแล้วก็พาศพกลับบ้านทีแรกก็รู้สึกเหม็นนะแต่พอไปอยู่ น, น, นานๆเข้าไม่รู้สึกหลายคนเ็าเล่า ว, ว่าเวลาเขาทำงานเสร็จที่วัดยันยาวเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปกินข้าวพอเข้าไปในห้องห้องอาหารเนี่ย เขาก็สงสัยคนมันดูอะไรมันคนทำไมมันจ้องมองเขานะเวลาเ้าเดินไปไหนนี่มันมันก็มีคนฮือมีปฏิกิริยาเลยเขาไม่รู้นะว่าเขาก็ลังส่งกลิ่นแรงมากคนังาเลยคนในร้านเจ้าตัวไม่รู้หรอกอันนี้เป็นเป็นอาจินเกิดขึ้นเป็นประจำนะทั้งที่อาจจะเปลี่ยนเสื้อแล้ว อาบน้าแล้วแต่ว่ามันกินมันติดโชยมาเจ้าตัวไม่รู้นะเจ้าตั ว, ตวกินข้าปกติแต่ว่าคนทั้ง้านหันมามองนะนี่เพราะว่าคุณไงอยู่กับมันจนคุณนะบางทีคนเราอยู่กับทุกข์นี่เราไม่รู้ทุกข์นะทํานองเดียวกันเราเครียดแต่เราไม่รู้ว่าเครียดคนที่นั่นนี่พี่เขาหมุนเนี่ยเขา บางทีเขาม่รู้ตัวเ้านั่งอยู่อขี้ขโมยทั้งวันเลยแต่ว่าพอได้มาปฏิบัติพอได้มาผอคลายก็เริ่มสังเกตเริ่มจับได้ว่าตัวเองนี้เครียดพวกเราหลายคนก็คงจะสังเกตได้ว่าเราเป็นคนเครียดแค่ไหนเวลาเราปฏิบัตินะเพราะว่าความเครียดความเครียดของเรามันอยู่กับติดอยู่กับเราม า, ม า, มานานอันนี้คือความหมาย ที่สองของรู้ทุกนะก็คือรู้รู้ตัวมืดทุกเมืดทุกเกิดขึ้นกับตัวเองนะและเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่รู้มันเฉยๆแค่ดูมันเฉยๆนะนี่คือการใช้ประโยชน์จากความทุก พวักเพียงแค่รู้หรือดูเฉยๆเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์แล้วอย่างที่มีท่านพระพุทธมาพรหมบอกว่าทุกมีไว้เพื่อเห็นนะทุกมีไว้เห็นสุ ข, ขมีไว้เป็นนะทุกมีไว้เห็นก็ว่าทุกมีไว้เห็นก็คือนี่แหละคือรู้ทุกอย่างที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราเพื่อมาดูเพื่อมารู้เพื่อมาเห็นความทุกข์ โดยที่ไม่พยายามกําจัดหรือกดข่มมันนี่เป็นการปฏิบัติที่อาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะแต่ว่านี่เราคือการเจริญสติที่ที่ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อสมถะแต่ว่าการรู้การเห็นความทุกข์เห็นความเครียดเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ให้ให้ละให้วางได้ตอนนี้รู้ทุกขั้นต่อไปก็คือรู้ว่า ที่ทุกเนี่ยมันกายทุกหรือว่าใจทุกนะไม่ใช่เราทุกนะอันนี้มันละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนะที่ปวดนี่ไม่ใช่เราปวดมันเป็นกายปวดที่เครียดนี่ไม่ใช่เราเครียดมันใจเครียดนะก็คือเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เราทุกแต่ว่าเป็นรูปหรือนามเป็นกายหรือใจที่ทุกนะอันนี้คือการรู้ทุกในอีกลาดับหนึ่ง ตอนใหม่ๆแล้วก็เออเรารู้ว่าเราเครียดอันนี้ก็ยังไม่ถูกทีเดียวแต่ก็ดีกว่าไม่รู้เลยเรารู้ว่าเราเครียดเรารู้ว่าเราโกรธแต่ต่อมาดูอีกทีเฮ้พอมีสติเข้าไปรู้มันพอมีสติดูมันปรากฏว่ามันไม่ใช่เราทุกข์นะมันไม่ใช่เราเกลียดเราไม่ใช่เราเครียดนะไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นใจที่โกรธนะเวลาเราปวดเมื่อย แขนขาไม่ใช่เร า, เราที่ปวดเป็นแขนหรือขาที่ปวดอันนี้พูดแบบง่ายๆนะที่จริงแขนขามก็ไม่รู้หรอกว่ามันปวดมันไม่ใช่เราปวดแต่เป็นกายหรือรูปที่ปวดนะอันนี้เรียกว่าคําว่าเราคำ ว, ว่าตัวฉันนี่มันหายไปแล้วหลวงพ่อคำเขียนใช้คําว่ามันถลุงมันย่อย แต่ก่อนมันมีแต่ตัวเราเป็นเจ้าของเป็นประธานในทุกเรื่องฉันโกรธฉันมีความสุขฉันเกลียดฉันโมโหรวมทั้งฉันเป็นมะเร็งนะหลายคนจะพอเป็นมะเร็งก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นมะเร็งแต่ที่จริงฉันไม่ได้เป็นมะเร็งนะฉันแค่มีมะเร็งอยู่ในตัว มันต่างกันระหว่างฉันเป็นมะเร็งกับฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวถ้าฉันเป็นมะเร็งก็แปลว่ามะเร็งเป็นทั้งหมดของตัวฉันแต่ว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ในตัวก็แปลว่าเออฉันยังมีต้งหลายอย่างมะเร็งก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวฉันฉันยังมีต้องหลายอย่างแต่นี้มันก็มีตัวฉันอยู่นะแต่ว่าถ้าเราดูถ้าเราใช้สติดูเนี่ยมันมันไม่ใช่ฉันปวดฉันทุกข์ละ มันเป็นกายปวดหรือว่าใจเครียดเคยมีคนมาปรึกษาหลวงพ่อว่าเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าหลวงพ่อหนูเครียดจังเลยหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อทำอยังไงดีหลวงพ่อไม่ตอบแต่ว่าพูดว่ายังถามไม่ถูกให้ถามใหม่ เขาก็ได้ค oh, ิดสักพักเขาก็บอกว่าโอ้หนูเห็นความเครียดมันเยอะนะมันต่างกันนะระหว่างหนูเครียดกับหนูเห็นความเครียดนะความเครียดไม่ใช่หนูแต่มันเป็นอีกอันหนึ่งนะมันเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของคือมันเป็นที่ใจหนูไม่ได้เครียดหนูแต่หนูเห็นความเครียดนะ เนี่ยเราลองปฏิบัติให้ได้ตรงนี้ก็เรียกว่ารู้ทูกอีกระดับหนึ่งแล้วนะเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยก็ลองดูซะว่าให้ที่เมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่เราเมื่อยมันเป็นแขนหรือมันขาที่เมื่อยอ่านอาจารย์พุทธทานเคยบอกว่าเวลามีมีดบาดเนี่ยนะ คนที่รู้สึกว่ามีดบาดฉันกับคนที่รู้สึกว่ามีดบาดนิ้วเนี่ยมันจะเจ็บต่างกันคนที่รู้สึกว่ามีดบาดฉันก็จะเจ็บมากกว่าคนที่เห็นว่ามีดบาดนิ้วมันถอนตัวฉันออกมาแล้วสิ่งที่ถูกบาดนี่คือนิ้วไม่ใช่ฉันเนี่ยเราลองมองให้เห็นแบบนี้นะก็เรียกวมาเป็นการเห็นทุกีกอีกระดับหนึ่ง ก็คือว่ามันไม่มันไม่ใช่ฉันทุกข์มันไม่ใช่ฉันปวดคนเราถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมองอย่างนี้ได้เนี่ยมันเบานะความทุกข์มันจะเบาไปเยอะเลยอ่าอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มประสบุบติเหตุนะเป็นครูสอนพระราแล้วก็โดดลงมาจากจากักระหัวไปกระแทก พื้นสัต์ก็ทำให้เส้นประสาทที่คอขาดจึงเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาอนาคตรกรดับวูบได้สุขกลากจากราชการต้องมาอยู่บ้านหาให้หาหมอรักษาที่ไหนก็ไม่หายก็เลยมันก็ว่ารอคอยวันตายเพราะว่าต้องทำอะไรไม่ได้หรือต้องให้แม่ให้พ่อช่วย อุ้มเอ่ยพาไปห้องน้ําเอ่ยป้อนข้าวเอ่ยทุกข์มากทรมานมากแต่ต่หลังเริ่มมาสนใจธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็สบายแต่พบว่าพอเลิกอ่านก็ทุกข์ใหม่ก็เลยเลิกสนใจเริ่มสนใจปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเขียนก็เขียนไปหาหลวงพ่อเขียนว่าจะทํายังไงดีหลวงพ่อก็แนะนําว่าอันเนี่ยให้ ให้เคลื่อนมือไปมาพลิกมือไปมาเดินจงกรมก็ไม่ได้ก็พลิกมือไปมาอย่างที่เราอย่างที่เราได้รับ ก, การสอนการแนะนําก็คือว่าให้รู้สึกตัวเวลาเคลื่อนมือเวลาใจฟุ้งใจเผลอก็รู้รู้แล้วกลับมาก็จะเห็นแล้วโอ้ที่เคลื่อนนี้เป็นมือและที่คิดนั้นเป็นใจ เห็นกายเึ้ืนหวเห็นใจคิดนึกก็แยกออกมามันไม่มีฉั้นที่เคลื่อน่ะมันไม่มีฉันที่พลิกมือมันเป็นรูปที่พลิกมันไม่มีชันที่คิดมันเป็นนามที่คิดเห็นจนกระทั่งชัดเจนประจักษ์เลยว่าโอ้ให้ที่พิการนี่มันกายพิการนะไม่ใช่ฉันพิการแต่ก่อนก็ไปหลงคิดว่าฉันพิการฉันพิการก็เลยทุกข์มาก แต่พอมาเห็นจัดจ่ายแล้วว่าไอ้ที่พิการนี่คือใจนั่นคือกายใจไม่ได้พิการด้วยฉันไม่ได้พิการด้วยอาจารย์ก็ะพบอกว่าจิตเราจะความเราเราจะความพิการเราจะความทุกข์เลยจิตมันเลาจากความทุกข์ไปเลยจิตมันไม่เอาความพิการเป็นของตัวเองแล้วณทุวันนี้ก็เลยมีความสุขเพราะไม่ได้สัวฉันพิการ แต่กายพิการแต่จิตไม่พิการด้วยจิตปกติแต่ก่อนหลงไปคิดว่าจิตก็พิการด้วยแต่พอจิตเล่าออจากความพิการแล้วโปร่งโล่งเบาสบายนะอันนี้พอเห็นไงนะเห็นเห็นว่าอันนี้คือคือรู้ทุกข์แหละนะคือการรู้ทุกขนะ์ในอีกความหมายหนึ่ง ถ้าต่อไปก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะว่าโอ้กายนี่ก็ทุกข์ใจนี่มันก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นพอเห็นทุกข์แบบนี้เนี่ยจิตก็เรียกว่าละวางเลยนะไม่เอาแล้วเพราะว่าเคยคิดว่ามันจะ ให้ความสุขได้แต่พอรู้เข้าไปจนเห็นแลว้วมันทุกข์ล้วนๆ น, นะไม่ใช่แค่สุขบ้างทุกข์บ้างมันทุกข์ล้วนๆก็ไม่ยึดแล้วไม่เอาแล้วไม่หวังสุขแล้ววางนะเป็นผู้สิ้นหวัง น, นี่คือลักษณะพระอระหันต์พระอระหันต์คือมีลักษณะนึ่งคือเป็นผู้สิ้นหวังเป็นผู้ไม่มีความหวัง อยู่กับความจริงล้วนๆเห็นความจริงล้วนๆเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆก็วางเลยนะอันนี้ก็เป็นการรู้ทุกข์ที่ละเอียดมากนะเพราะพอรู้แล้วมันมันมันมันไม่ให้ตัณหาไม่เกิดแล้วนะเห็นรู้ทุกข์แบบเนี้ตัณหาคือความอยากอยากสุขอยากสบายมันไม่มีแล้วพอรู้ว่มันเป็นไปไม่ได้มันทุกข์ล้วนๆก็เลยปล่อยเลย ตัณหาก็ดับไปนะทุกข์ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าไม่ยึดไม่ติดแล้วเรียกว่าพน้พนทุกข์พ้นทุกข์นี่หมายความว่าทุกข์ยังมีอยู่แต่พน้นแล้วไม่ได้แปลว่าดับทุกข์นะพ้นทุกข์ทุกข์ยังมีอยู่แต่ว่าจิตยกอยู่เหนือและ ไม่ได้แปลว่าทุกหมดทุกยังมีอยู่นะยางน้อยก็มีมีกับกายและสังขารก็ยังก็ยังปรุงได้เป็นบุบผู้เคยมีคนถามหลวงพ่อหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูนนี่ก็เป็นศิด็์รุ่นแรกของหลวงพ่อของปู่มัน่นหลวงปู่ดูลนี่ก็ก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์ประโมทนะหลายท่านเคยได้รู้จักหลวงปู่ดูล ใครๆก็เลือนว่าท่านเป็นพระอระหันต์เพราะท่านสงบท่านนิ่งท่านสว่างท่านเบาก็มีคนไปถามท่านว่าหลวงปู่หลวงปู่มีโกรธไหมมีโกรธไหมคิดว่าท่านจะตอบว่าไม่มีดับสิ้นแล้วท่านบอกมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอานะ อันนี้เราพ้นโกโรธนะพ้นโกโรธแปลว่าโกโรธมีแต่ว่าพ้นแล้วไม่ยึดแล้วเนีหการการกา ร, การรู้ทุกเนี่ยมันมันมีความหมายที่ลึกซึ้งหลายระดับแต่ว่าสิ่งที่เราควรตั้งต้นก็คือว่าเออให้มีสติเห็นความทุกข์อย่าไปเอาแต่ผลักไสกดข่มมันบางคนเครียด พอเครียดแล้วเนี่ยแทนที่จะดูก็ไปพยายามกดมันเอาไว้พยายามหาทางกำจัดมันโกรธก็เหมือนกันโกรวก็เหมือนกันก็พยายามกำจัดมันนะแต่ว่าบางทีแค่ดูเฉยเฉยมันก็ช่วยได้อย่างที่เราไปสองวันก่อนว่า เ, ออเด็กเขาอยากจะซื้อของเล่นราคาสี่ร้อยบาทมาขอแม่ แม่ก็ไม่ปฏิเสธแม่ก็ไม่ได้ตามใจก็ให้ไปดูของแล้วก็ให้ดูใจด้วยดูๆไปมันก็หายเองตัณฐานี่พอมันเกิดความอยากก็เป็นทุกข์นะพอดูันไปดูันไปมันก็หายไปไม่ไม่อยากแล้วนะแต่บางคนก็ จ, จะถามว่าทำไมรู้ว่าโกรธแต่มันไม่มันไม่หายโกรธ นะมีหลายคนหลายคนชอบชอ บ, ชอบถามวันนี้รู้ว่าโกรธจะทำไมมั น, ม, นมันไม่หายโกรธเพราะว่ายัางไม่ได้รู้ด้วยสติล้ลวนๆยังไม่ได้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางก็คือว่าพอรู้ว่าโกรธเนี่ยมันก็มีตัวอยากตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นลำดับถัดไปว่าอยากจะให้ความโกรธมันหายนะแต่ก่อนอาจจะไม่มีตรงนี้เพราะว่าไม่รู้ตัวเลยว่าโกรธ ตอหลังพอรู้แล้วโกรธเนี่ยมันก็จะมีความอยากให้ความโกรธมันหายไอความอยากตัวนี้แหละที่มันไม่ใช่เป็นเป็นสติรวนล้วนที่เป็นกลางมันเจอด้วยความอยากการที่เจอด้วยความอยากนี่แหละที่ทำให้ความโกรธมันก็ยังมีอยู่เพราะความความอยากเป็นอกุศลสติรล้วนนี่เป็นกุศลแต่ว่ามันถ้ามันพอมันเจอด้วยความอยากมันเป็นมันก็เจอด้วยอกุศลละ อกุศลก็ทําให้อกุศลอีกตัวหนึ่งเจริญงอกงามเหมือนเราจะดับไฟนะถ้าเราใช้น้ําดับมันก็ถ้าน้ํามากพอก็ดับได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ํานั้นนี่มันมีมันมีน้ํามันเจือปนนะบางทีมันก็ไม่ดับนะมันกลับกลายเป็นเชื้อให้ไฟลุกขึ้นอย่างเช่นเราเราจะดับความโกรธแต่เราดับด้วยด้วยจิตที่มันมีความอยากจะให้ ด้วยจิตที่ไม่ชอบความโกโรธจิตที่ผลักสายความโกโรธมันไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือเป็นสติที่บริสุทธิ์มันก็เลยทําให้ความโกโรธนะั้นมันไม่ดับไงหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะว่าสติเราอ่อนเหมือนกับน้ําน้อยมันย่อมแพ้ไฟอกองไฟมันเยอะกองใหญ่แต่น้ําน้อยมันก็ดับไฟไม่ได้ถ้ามีสติรู้แต่ว่ารู้ ด้วยสติที่ไม่มีกำลังเพียงพอมันก็ไม่ดับแต่ส่วนใหญ่จะเจือด้วยความความไม่ชอบมันมีความกลัวแล้วมันไม่ชอบความโกรธมันมีความเครียดแล้วก็ไม่ชอบความเครียดเจือเข้าไปไอ้ความไม่ชอบนี่แหละที่มันซ่อนอยู่ที่มันแฝงอยู่เนี่ยที่มันทำให้ความโกรธมันก็ยังไม่หายไป วันนั้นคนที่บอกว่ารู้รู้ว่าโกรธแต่ทำไมไม่หายโกรธก็เพราะว่ามันมีปฏิกิริยาเจือแฝงอยู่คือไม่ชอบความโกรธและพอพอไม่รู้ทันนี่นะมันก็จะทำให้ทุกข์มากขึ้นทีแรกเราจะเกิดความฟุ้งก่อนและพอเราอยากจะให้ความฟุ้งมันหาย พยายาไปกดพยายามไปห้ามมันไม่หายยิ่งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแทนที่ความฟุ้งมันจะหามันก็ยิ่งฟุ้งมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มงหงุงดหงิดละพอหงุดหงิดก็มีความไม่สบายใจที่รู้ว่าตัวเองหหงุดหงิด นะปฏิบัติทำทำไม ห, หงุดหงิดนก็พยายามไปกดของความหงุดหงิดเข้าไปใหญ่พอไปกดเข้ามันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เสร็จแล้วก็ลืมตัวนะอย่างมีพระบางรูปหลวงพ่อพอเขียนท่านเล่าว่าเนี่ยท่านก็ตั้งใจปฏิบัตนะิแต่ปฏิบัติด้วยความเคร่งด้วยความเครียดปฏิบัติไปปฏิบัติไปป ฏ, ไ ป, ปฏิบัติไปก็เห็นท่านหลวงพ่อพมอมเขียนก็ไปเห็นพระรูปนี้นี่เอา ลองทัาแตะฟาดหัวทำไมมันมคิดมากเหลือเกินนะทำไมมันมคิดมากเหลือเกินน ะ, นะอยากจะเจริญสติแต่ว่าลืมตัวเอาลองทับแตะฟาดหัวเพราะอะไรเพราะว่ามันฟุ้งมันฟุ้งมากมันฟุ้งแล้วก็ไปไปพยายามไปกดข่มความฟุ้งเอาไว้มันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ไม่รู้ทันความอยากที่ไปกดข่มแล้วพอฟุ้งแล้ว ก็ไม่รู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเห็นความหงุดหงิดแต่ว่ายิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่หงุดหงิดที่ตัวเองหงุดหงิดนะั้นก็เลยเลื่อมตัวฟาดหัวตัวเองเราต้องระวังให้มันมันจะซ้อนกันมันจะมีความรู้สึกซ้อนกันอยู่ พตัวเองโกรธรู้ว่าตัวเองโกรธก็จะโกรธตัวเองนะโกรธตัวเองทำไมถึงโกรธเนะี่ยเราต้องต้องต้องรู้ทันนะรู้ทันด้วยใจที่เป็นกลางนะอันนี้ความความหมายว่ารู้ทุกนะรู้ทุกคือรู้มันเฉยๆกาหนดรู้อย่าไปคิดละมันนะละนี่ต้องเป็นละที่สมุทย เรื่องการปฏิบัติต่ออริยสัจสี่เนี่ยนะทั้งสี่เนี่ยมันมีหน้าที่ต่างกันแต่ที่สำคัญก็คือตัวข้อแรกนี่แหละคือทุกข์แลคือสิ่งที่ต้องรู้นะรู้ไม่ใช่รู้ว่ามันอะไรบางที่เรียกว่าทุกข์แต่ว่ารู้ถึงขั้นที่ว่ารู้ด้วยสติไม่ใช่รู้จำรู้ด้วยสติและต่อไปก็จะรู้ด้วยปัญญาว่ามันทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์ล้ ว, ลวนนะ ก็จะเกิดการหลุดพ้นได้ปล่อยวางได้เอาละก็พูดกันเท่านี้คำนี้